อติตานาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจากขายัตนะมูลกนัย1น4อนุโลมปุจฉาจากขายัตนาของบุคคลใดเคยดับโสตายัตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมพิจัดชนะบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวกรารภูมิ ปัดฉิมภวิกะบุคคลในอรูปปภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปปภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่โสตายัตนะไม่ใช่จากดับบุคคลนอกนี้จากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและโสตายัตนะก็จากดับปฏิโลมปุดฉาโสตายัตนะของบุคคลใดจากดับ จักขายัตนะของบุคคล น, นั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดเคยดับคานายัตนาของบุคคล น, นั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในกามาวาจรภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้บัตดอยู่ในรูปาวาจรภูมิและอรูปาวาจรภูมิ บุคคลเราใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติจักขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จักขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและคานายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดละวิจัชนาใช่ อนุโลม์ปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดเคยดับรูปายัตนาของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัดฉิมภาวิกาบุคคลในอรู ป, ปรภูมิและบุคคลเราใดจักอุบัติในรู ป, ปรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติจักขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่รูปายัตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแล้วรูปายัตนาก็จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายัตนะของบุคคลใดและวิจัดชนาะใช่อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดเคยดับมานายัตนะและธรรมายัตนะของบุคคล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังปรินิพาน จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ธรรมายัตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จักขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและาารรชชธรรมายัตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายัตนะของบุคคลใดละวิจัชนาใช่จักขายัตนะมูลกนัยจบคานายัตนามูลกนัย หนึอนุรมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดเคยดับรูปายตนะของบุคคล น, นั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัดฉิมพวิกาบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเราใดจกอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับ แต่รูปายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและรูปายตนะก็จักดับปฏิโรมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดละวิตัชนาใช่อนุรมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดเคยดับมานายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหม วิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังปรินิพานคานายตนาของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ธรรมายตนาไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้คานายตนาของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและธรรมายตนะก็จักดับปฏิโดมปุจฉั่ธรรมายตนาของบุคคลใดและวิจัดชนาะใช่186อนุโลมปุจฉั่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 วิจัดชนาใช่1 8ึ่อนุโลมปุจฉลามนายฐานะของบุคคลใดเคยดับธรรมายฐานะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานมนายฐานะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ธรรมายฐานะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้มนายฐานะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและมนายฐานะก็จักดับ ปฏิโลมปุชชาธรรมายตนะของบุคคลใดละวิจัดชนาใช่อนุโล ม, มโอกาสจักขายตนะมูลกนัย8นอนุโลมปุชชาจักขายตนะในปูมิใดเคยดับละอนุโลมปุกโคลกาสจักขายตนะมูลกนัยหนึ่งอนุโลมปุชชา จักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับโสตายัตนาของบุคคลนั้นในในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิจักขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่โสตายัตนาไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิจักขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและโสตายัตนะก็จักดับ ปฏิโลมปุตชาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจกักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จกักขายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ และจักขายตนะก็เคยดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิจักขายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่คานายตนะไม่ใช่จักับ บุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิจักขายตาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและคานายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายตาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตาตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับ รูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิทัชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปายตนะก็จักดับปฏิโรมปุจฉา รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักหายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมพิจัชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในทุทาวาตภูมิและบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักหายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายตนะก็เคยดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิดเคยดับมนายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวโการะภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่มนายตนะไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและมานายัตนาก็จักดับปฏิโลมปุจฉามานายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจะขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาทภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรู ป, ปรภูมิ มนายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นแจกดับแต่จักขายัตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในปัญจโวการภูมิมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นแจกดับและจักขายัตนะก็เคยดับอนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับธรรมายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็แจกดับใช่ไหมวิจชนา บุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวักราภภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในปัญจโวักราภภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและธรรมายตนะก็จักดับปฏิโดมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหม วิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับแต่จักขายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้บัตอยู่ในปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับและจักขายตนะก็เคยดับจักขายตนะมูลกันัยจบ คานายตนะมูลกนหนึ่งร้อยเก้อนุโลมปุจฉาลคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะกดับใช่ไหมวิจัิชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกา마วจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่คานายตนะไม่เคยดับ บุคคลผู้บัตดอยู่ในกามวาวจรภูมิรูปยายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและคานายตนะก็เคยดับอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับมนายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิตัิชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามวาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้ผู้บัตอยู่ในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและธรรมายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจติชนะบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ แต่คานายตนะไม่เคยดับบุคคลในวงเล็บนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและคานายตนะก็เคยดับคานายตนะมูลกไะในจบรูปายตนะมูลกไะใน1อยออนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับ มนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จัดดับใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการาภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่มนายตนะไม่ใช่จัดดับบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในปัญจโ ว, วการาภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและมนายตนะก็จักดับ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 และรูปายตนะก็เคยดับอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในปมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจาราบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะดับบุคคลนอกนี้ผู้บัตอยู่ในปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิ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 บุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในปัญจโวโการภูมิและอสัญญัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปายตนะก็เคยดับรูปายตนามูลกนันในจบมานายตนามูลกันในหนึอยเก้อนุโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิตนะัชชา บุคคลผู้กำลังปรินิพานมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จากดับบุคคลนอกนี้ผู้บัตยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและธรรมายตนะก็จากดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจากดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้กำลัง อุบัติในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิทำ ม, มายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับแต่มาตนายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโกรภูมิและปัญจ โ, โจวการภูมิทำ ม, มายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับและมานายตนะก็เคยดับมานายตนะมูลกายนิจจบปัจจินีกับบุคคลจะขายตนะมูลกไยน 193อนุโลมปุจฉาจักขายยตนะของบุคคลใดไม่เคยดับโสตายตนาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัชนาะไม่มีปฏิโลมปุจฉาโสตายตนาของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายยตนะของบุคคลนั้นในก็มิเคยดับใช่ไหมวิจัชนาะเคยดับ อนุลมฺปุจฉาจะขายยตนะของบุคคลใดไม่เคยดับคานายตนะละรูปายตนะละมนายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจาชนาไม่มีปฏิโลมฺปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจกขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เคยดับใช่ไหมวิจาชนาเคยดับ อนุโลมปุจฉาคานายตนะและรูปายตนะและมนายตนะของบุคคลใดไม่เคยดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากดับมานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาเคยดับปัจจณีกโอกาส จักขายยตนะมูลกในหนึ่อยเก้อนุโลมปุชชจฉาจักขายยตนะในภูมิใดไม่เคยดับละปัจจณีกับปุจ ค, คโลกาดจักขายยตนะมูลกในหนึอยเก้อนุโลมปุชชจฉาจักขายยตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับโสตายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมพิจตชนาะ บุคคลผู ieza, U, v, frost, orge, well ้กำลังอุบัติในสุทาวาตภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่โสตายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้บัตยู่ในสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและโสตายัตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุชชาโสตายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ จักขายัตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัรณนาะบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการะภูมิโสตายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จักขายัตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาตภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตรรตภูมิอรูปภูมิโสตายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักขายัตนะก็ไม่เคยดับ อนุรลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับคานายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในการมาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปประภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จักขายาตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักขายาตนะก็ไม่เคยดับอนุโลมปุจฉาจักขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับรูปลายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัตฉนา บุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาดภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่รูปายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาดภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโดมปุจฉา รูปายตนะของบุคคลเหล่าใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักหายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจารนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จักหายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิ รูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักหายตนะก็ไม่เคยดับอนุโลมปุจฉาจักหายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับมนาหายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิจักหายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่มนาหายตนะมิใช่จักไม่ดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาตภูมิอรูปภูมิและบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและมานาญตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉามานาญตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขาญตนะของบุคคลนั้ น, นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิ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 ทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักขายยตนาก็ไม่เคยดับจักขายยตนะมูลกนาจบทานายตนะมูลกนา196อนุโลมปุจฉาทานายตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับปรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาะ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 คานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิรูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่คานายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอรูปภูมิรูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและคานายตนะก็ไม่เคยดับ อนุรมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับมนายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกดับใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่มนายตนะม without, ิใช่จกไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและมนายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุจฉะมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจารนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรปุ่มมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่คานายตนะมิใช่ไม่เคยดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพานในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับและคานายตนะก็ไม่เคยดับอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับธรรม า, ายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่จักดับ คานายตนะของบุคค ล, ลนั้นในภูมิามา น, ân, นั้านก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในกามาวจารภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดั บ, ดบแต่คานายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับและคานายตนะก็ไม่เคยดับคานายตนะมูลกนไย จบรูปายตนะมูลกไนในหนร้อย 197. อนุโลมปุต ช, ชารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับมนาายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิตติชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่มนาายตนาไม่ใช่จากไม่ดับ บุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาตภูมิและอรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและมนายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิ M. และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ มนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาตภูมิและอรูปประภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปายตนะก็ไม่เคยดับอนุโรมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัิชนา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 รูปายตะนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่รูปายตะนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิและอรูปภู ah. มิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับและรูปายตะนะก็ไม่เคยดับ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 แต่มนายัตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทาวาดภูมิธรมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับและมะนายัตนะก็ไม่เคยดับนิโรธวานจบ